เมื่อสักครู่เราได้สวดบทพิเศษสองบทบทหนึ่งนะเป็นบทเตือนใจสำหรับพระภิกษุรวมถึงแม่ชีด้วยก็ได้ทำที่บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บรรพชิตคือทั้งบวชนะควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งเป็นประโยชน์กับบรรปชิตนักบวชโดยตรงแตญาติโยม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 สอบตกไปแล้วนะในเรื่องการเป็นบรปบชิตในพุทธศาสนาส่วนบทพิเศษอีกบทหนึ่งอันนี้เ ป, นเป็นประโยชน์กับคนทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีไม่ว่าจะเป็นคารวาสนะข้อที่ควรพิจารณา5ประการนะปัญจพินหะปัจเจเบโดยเพราะสีข้อแรกเนี่ยสำคัญมาก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 พิธีรตหรือพิธีกรรมมันตามมาทีหลังนะอย่างนั้นก็เรียกว่าส่วนเสริมนะแล้พิธีรหรือตอนบางอย่างก็เป็นส่วนเกินด้วยนะต้องแยกแยให้ออกว่าอะไรเป็นส่วนเสริมและอะไรเป็นส่วนเกินแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เป็นสาระสาคัญของธรรมะเนี่ยมี2 อ, อย่างคือความดีและความจริงนะความดีเป็นสิ่งที่เราต้องทําหรื อ, อควรจะทํา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 สนใจธรรมะเข้าวัดตั้งแต่เล็กเรื่องเรื่องศีลนกะแกก็เคร่งครัดนะไม่ไม่ไม่ผิดศีลทำบุญนะก็ทำเต็มที่ทั้งหมดนี้ทำด้วยความเข้าใจามาโดยตลอดว่าชีวิตแต่ประสบความสุขความจเจริญจะอายุยืนนะจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะคล้คลาดจากอันตรายโรคภัยทั้งหลายไม่มาเท้าผ่าน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 แสดงความก้าวร้าวออกมาความทุกข์ที่อยู่ในใจันปรากฏออกมาเป็นความก้าวร้าวระบายใสย่หมอใส่พยาบาลแล้วพอถึงเวลาป่วยหนักก็ไม่มีความสุขนะทุรนทุรายจนกระทั่งเวลาตายก็ตายไม่สงบเนะพราะอะไรเพราะทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยนะต้องป่วยยอมรับไม่ได้ว่านี่เป็นธรรมดาของชีวิตที่เกิดขึ้นกับทุกคน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 สดชื่นเบิกบานให้จะทำดีแค่ไหนหจะทำบุญอย่างไรนะก็ให้ตระหนักว่าเท่านี้ยังไม่พอนะต้องเปิดใจให้เห็นความจริงด้วยแล้วฝึกใจให้จิตใจนยอมรับความจริงเห็นความจริงนะความจริง4ี่ประการเนี่ยเป็นความจริงพื้นฐานเลยยังมีความจริงอีกหลายอย่างนะซึ่งก็คล้ายๆกันก็คือความจริงที่รโลกธรรมแปด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 เชื่อเดยวกับความหนุ่มกับความแก่เป็นของคู่กันที่จริงมันไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันเลยนะมันอยู่ได้กันเลยเลยนะความหนุ่มกับความแก่นะความมีสุขภาพดีกับความเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปเข้าใจาเป็นตรงข้ามนะแม้กระทั่งเชื่อความตายก็ไม่ได้สิ่งตรงข้ามกันพุทธเจ้าตัดว่าชีวิตความตายมันอยู่ในชีวิต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 แต่เราก็ยังเดินเหินเป็นปกติได้เพราะว่ามันยังไม่มากพอหรือว่ า, าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรายัางจัดการมันได้อยู่ยังคุมมันได้อยู่ไอเชื้อบันดารโรคนะก็ จ, จะยังอยู่ในร่างกายเราแต่มันยังไม่กาะ ก, กวนเพราะว่าภูมิคุ้มกั น, นร่างกายเราก็ยังคุมมันได้อยู่อย่างแล้วก็ตามก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าสักวันนี้เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะอย่างเห็นได้ชัด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 มินนำซ้ำจะมีความเข้าใจว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้ก็อาจจะเป็นโทษได้บางทีทำให้เวียงกลับนะจากคนที่สนใจทำบุญฝ่ายในบุญกุศลกลายเป็นตรงข้ามเมื่อสักสามสปีก่อนเนี่ยที่สุรินเนี่ยมันมีการเมืองสุรินนี่มีไฟไหม้ใหญ่บ้านเมืองก็หลายหลายร้อยครัวเรือน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 พ่อแม่เขาก็ทําบุญตัวเขาเองกรถินก็ดีผ้าป่าก็ดีเขากา็ช่วยไม่ได้ขาดนะเรื่องพระเรื่องเจา้าเรื่องวัดว่าอาลามก็อุปถัมภ์สนับสนุนแต่ทําไมต้องมาเจอความสูญเสียทําไมบุญไม่รักษาทําไมทำไม่คุ้มครองบางคนบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้จะไม่เข้าวัดแล้วต่อไปนี้จะไม่ทําบุญแล้วนเะพราะเขาสึกว่าทําดีทําไมไม่ได้ดี อันที่เป็นคําถามที่อยู่ในใจคนจนํานวนไม่น้อยนะเวลาบางคนทําความดีมาแล้วแต่ทําไมเป็นโรคมะเร็งนั้นทําความดีมากมากมากแต่ทําไมสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่หรือว่าตัวเองพิการอย่างหลายคนที่ต่อต่อตัดพาอหลวงกับหลวงปู่ดุลก็บอกเนี่ยต่อไปไม่เข้าว่าไม่ทําบุญแล้วหลวงปู่ท่านก็ท่านก็พูดว่าเนี่ยธรรมะนี่มันไม่ได้ทำมันไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้น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 หรโชคดีที่มันไม่ลายไปกว่านี้เช่นเจ็บป่วยนะแทนที่จะค่ําครวญก็อาจจะรู้สึกว่าโชคดีนะที่ไม่เป็นมะเร็งยังพอรักษาได้มีหมอคนหนึ่งมาพา่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเธอแทนที่จะเสียใจเธอกับบอเออโชคดีนะที่มารู้ตอนนี้เพราะว่ามะเร็งแค่ะระดับหนึ่งระดับสอง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 แล้วก็อย่างที่เราได้พิจารณาปินหบาปจเจวเนะมันไม่ใช่แค่ความแก่มันไม่ใช่แค่ความเจ็บความป่วยและความพังเพ้าสูญเสียแต่ว่ามีความตายด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงความตายของตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยยอมรับว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายอาจจะถ้าถ า, ถามก็ตอบได้ว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันต้องตาย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 ก็อาจจะคิดหมายว่าเออทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้ทำไมเป็นชั้นไม่ได้เพราะใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นมะเร็งมะเร็งเนี่ยแทนที่จะคร่มคือว่าทำไมฉันต้องป่วยก็กลับมาได้คิดว่าเออเราป่วยอย่างไรเราถึงจะมีความสุขนะมันต่างกันมากนะระหว่างคนที่คร่มควรว่าตัดเพราะว่าทำไมต้องเป็นชั้นกับคนที่ได้คิดว่าทาไมจะเป็นชั้นไม่ได้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 บางทีอาจจะจมหายไปเลยก็ได้ความจริงเนี่ยของโลกนี้ของชีวิตนี้ของกายและใจนี้เนี่ยมันเหมือนกับน้ำชเชี่ยวนะไม่มีใครต้านทานกระแสะน้ำนี้ได้ในกระแสน้ำบางอย่างนะเราอาจจะตั้งเขื่อนอาจจะสร้างเขื่อนนะควบคุมมันได้แต่ว่ากระแสะทานแห่งสัจธรรมนี่มัน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 เกี่ยวกับฟิสิกส์อันนี้ก็ประมาณสักเกือบร้อยปีมาแล้วสมัยนั้นเยอรมันเมืองกรอติงเกนเนี่ยเป็นเมืองที่มีนักฟิสิกส์ชื่อดังทั่วโลกไปกระจุกกันที่นั่นต่างคนต่างอาคิดคนทฤษฎีนะแกก็คิดอยู่นั่นแหละทฤษฎีนะเกี่ยวกับฟิสิกส์กินก็คิดนอนก็คิดนะแล้ววันนึงแกก็เดินไปไปที่มหาวิทยาลัยซึ่งแกมีหน้าที่สอนระหว่างที่แกคิดอยู่แกก็เดินสะดุด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 เวลาเจ็บเวลาป่วยนี่นะมันก็ทุกแต่กายนะแต่ใจไม่ทุกถ้าหลวงปู่ดูเนี่ยท่านหลวงปูด่ดูท่านมารณภาพเมื่อสักยี่สิปีที่แล้วตอนที่มรณภาพท่านก็อยุ่ร้อยปีไม่ใช่หลวงปู่ดูลองปู่บุตราหลวงปู่บุตราถาวโรตอนที่ท่านชรามาแล้วท่านก็ไปไปผ่าอณูออกตอนนั้นยังไม่มีอุตตสาวนะผ่าเสร็จสักพักท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรข้อ ย, อยังชั่วละ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 เพราะมันไม่มีตัวกลัขึ้นมาเป็นผู้เป็นเจ้าของความเจ็บหรือเป็นผู้เจ็บนะไอ้ความเจ็บนั่นเป็นของกายนะแต่ไม่ใช่เป็นของตัวกูหรือตัวฉันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยอีกคราวนึงท่านไปไปฉันเขาโยอมเขานิ ม, มนต์ให้ท่านไปฉันในงา น, นทําบุญคงจะขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละก็มีพระมาร่วม คณะกับหลวงปู่ด้วยบอกว่าอาหารมีพิษพระทั้งคณะเลยก็อาจเจียนกันเป็นแถวโดย พ, พระพัหนุมนี่อาจเจียนจนกระทั่งไม่มีแรงเนี่ยนอนแต่หลวงปูน่นี่ท่านสามารถจะนั่งคุยกับโยมได้นะชักพักก็หันมาอ้าอวกอาจเจียนใส่กระโถนแล้วก็นั่งคุยกับโยมต่อนะไม่มีอาการทุรนทุรายเลย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 เขาเห็นได้ว่าเป็นธรรมดาอันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธเรานะต้องใส่ใจด้วยนะไม่ใช่เอาแต่ทำความดีส ร, สร้างบุญสร้างกุศลเข้าวัดเข้าวาแต่ว่าไม่สนใจภาวนาหรือว่าไม่พยายามเปิดใจเห็นความจริงนะที่ว่ามาเอาละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้